อ <c oughs> านนี้ถ้าหากผู้คิดถึงปากถึงทอ้องคิดแต่การกินอย่างเดียวอะไรผาาถึงสองพันหะไอ้พันสองางทำไมอาหารมีเท่าไหร่ไม่มีใครเลี้ยงดูให้กินกันยังไงมันเอิอน้างไงไม่มีใครรู้จักเลยจะกินกันยังไง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 <c oughs> ท่านจะนอนอยังไงกุตติใครจะรับรองพอรามเคาจะเลี้ยงใครเคาจะรับรองเคาจะถามมาให้ไม่มีทั้งนั้นทั้งนั้นก็ไม่ต้องลำบากอีกนอนดินกินสายท่านนอนได้ทั้งนั้นมีกดมีมุ่งแะ้วต่วแล้วกันยิ่งพระสมัยนั้น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 พอไม่ได้ยินแดฟังเขาก็แล้วลึกถึงเลยนันที่หมดไปหมดไปยังอีกไม่ใช่หมดแต่เพียงแค่นั้นยังต่อไปอีกน่งหมดไปหมดไปอีก <c oughs> เขากำนดวันเวลานั้นเรียกว่าวันเวลาชั่วโมงจะเป็นวันเป็นคืน เป็นเดือนเป็นปีไปมันดีเหมือนกันเพื่อจะได้รู้จักว่าชีวิตของเราหมดไปเท่านั้นเท่านั้นหมดวันหมดคืนหมดปีหมดเดือนไปอันนั้นเรียกว่ามันดีตรงนั้นถ้าหากผู้ไม่ผู้ประมาทจะแล้วหมดเรื่องในลึกถึงชีวิตของตนเลยแต่ผู้ไม่ประมาทนะครับนี้ เช่นชีวิตของสนเป็นของน้อยนิดเดียวในวันหนึ่งวันหนึ่งหมดไปหมดไรีบเล่งทำ ค, คุณงามคุณงามกลมดีตายไปแล้วไม่ได้ทำอะไรหรอกตายไปแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกชีวิตนี่แหะเป็นเครื่องสอนสอนให้เราทำดีทำชอบ คนเราถ้าหากว่ายังยืนนานไ ม, ไม่ตายใชเลยก็เลยประมาทเมื่อชีวิตมันหมดไปเปลืองไปอย่างนี้ชิ้นไปอย่างนี้แลเห็นความเสื่อมสิ้นไปแห่งชีวิตผู้ที่ไม่ประมาทจะลึกถึงตนเองตายแล้วได้อะไรไปด้วยไม่มีอะไรหมด ข้าของสมบาัติพระปานบ้านช่องเรือนช่าิทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคนอื่นมดแั้นเดชชีวิตร่างกายนี่ก็เป็นของสิ่งอื่นจาไปไม่ใช่ของเรา่ะ <c oughs> ล, ลายเป็นดินน้ำไปลลงแบบมดลงสภาพตามเป็นจิตรามาห่วงมดถือตัวของเรา เสดายไม่อยากตายอะไรยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรไม่ท้องให้แก่เพราเด็กความยึดความถือทั้งนั้นความเป็จริงของเขาเป็นอยู่ตามเรื่องของเขาเราไปเอาดินมาเป็นตัวของเรามาเอาน้ามาลงไปเป็นตัวของเรา <c oughs> นอกจากนั้นอีกเราเนื้อหนังคนอื่นมาเป็นตัวของเรา เขางมูเอาหมเอาไก่เอาแกะเอไก่มาเป็นตัวของเร า, าเป็นเนื้อของเราไม่ใช่ตัวของเราหนิห <c oughs> ากเขาจะพูดว่าเจ้าเป็นไก่อย่างนี้จะโกรธไหมเจ้าเป็นงวเป็นป่ายมันจะโกรธไหมเราคิดดูสิมันถูกของเขานะเป็นปลาเป็นปูไง เมื่ น, นี่เป็นป่าเป็นปูงนั้นน่ะมันเศษของเราเรามาเลี้ยงมาพ่อเขาทุกวันทุกวันพ่ อ, ขอเขาทำไมได้อะไเมื่อแตกกายลายไปแล้วก็ลงเป็นดินของเก่าเรี้ยกเราไปขโมยของขอ ง, ของเาเป็นของตนดินน้าไผ่ลมของ ของสภาพธรรมดามันเกิดน้ไปขโมยเป็นของเรามันยึดมือถือกเป็นของเรา <c oughs> ผู้ที่ติจานาเห็นอย่างนี้ย่อมเป็นเข้มาชีวิตเสื่อมไปย่อมไป็นผู้ ม, มาพยายามรีบเร่งทำคุณงาคมควาดี <c oughs> เป็นกําไรของชีวิตของเรา เราเกิดเพือไม่เสียเปล่าเสียรประโยชน์จากให้เกิดมาให้เชื่อว่าได้กำไรจากชีวิตนั้นอาละเทตนาท่านั้นจิตตังวติตังถูกหังจิตปามีวะสเมทะตุทะเพตุเอ็นตุทังกับปากันทูสนรถโยธาริโยเทระโทยธา สปีติโยวัชันตุสัพโรโอินาตตุมาเทโหันตรายโยสุขีที่ข่ายุคุเพาะอริวาธนาชีริสานิชาโมดาปิจายโนจตาโรธรรมะทันติอายวานสุขังอยากจะอธิบายให้ฟัง ซึเรื่องหลักของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่มีหลักจะปฏิบัติไปสักเท่าไรเท่าไรก็จับหลักไม่ได้แล้วก็เข๋เป็นกันแน่นออ <c oughs> ถ้าหากว่าจับหลักได้แล้วปฏิบัติ ได้บ้างเล็ก น, น้อยก็ ย, ยืนตัวอยู่คนนั้น <c oughs> หลักปฏิบัติในที่นี้เบื้องต้นในการที่หัดสมาธิคือว่าปริกรรมอะไรก็เอาเถอะไม่เลือกหรอกปริกรรมอันนั้นแต่ว่า ให้รู้จักปริกรรมคู่บริกรรมนั่นนะ่ะให้รู้จักคู่นั้นนะ่ะคือว่าพุทโธก็ดีนั น, านาปาราสติก็ดีใครเป็นคนว่าเป็นคนนึกเป็นคนพิจารณาอยู่นะแม่ใครเป็นคนว่าพราย้อนมาหาผู้นึกผู้คิดผู้ว่านั่นนะ่ะคือใจนั่นแหละ ว่านึกผู้คินั่นคือใจนั่นเองแล้วก็จะวางคำบริกรรมอันนั้นมาสงบอยู่คงที่อันนั้นเปนหลักสำคัญถ้าหากจะจิต ร, รวมลงไปแล้วครานนี้มันจะเกิดมนีมิรเกิดภาพเกิดแสงสวา่างเกิดอะไรก็ตามเถอะ ถ้าหากคิดส่งไปตามแสงสว่างนั้นตามภาพตามนิมิตนั้นเรียกว่าส่งในเหมือนกับเราเห็นภายนอกนี่แหละเหมือนกับเราตาก็เห็นนี่แหละเราดูสิ่งต่างๆมันต้องออกไปจากใจล้าไปดูของภายนอกรูปเสียงอะไรต่างกินรถอะไรต่าง มันเกิดขึ้นมาเพลินไปสนุกอยู่กับของอนั้นเรียกว่าส่งในอนั้นไม่ถูกขอให้ย้อนกลับมาหาผู้เห็นผู้ที่ไปเห็นนั้นทีนน่ต่างๆนั้นอคือใจผู้ที่ไปเห็นนั้นจับเอาผู้นี้เราอย่าไปเอาผู้ น, อ, นอย่าไปเอาสิ่งที่เห็นนั้น แตู่้นี้ผู้นั้นก็หายไปแต่โดยส่วนมากมันชอบคนชอบนะ่ะเห็นสิ่งอะไต่างจะชอบเพลินหลงไปหลงตามสิ่งนั้นสิ่งรูปเสียงเวลาที่เห็นในต่างกันนั้นถ้าผู้นี้ไม่มีแล้วมันก็หายหมดของคู้นั้นหายแล้วจับไม่ได้ไม่มีหลักจับไม่ได้เหตุนั้นอย่าไปจับเอาของภายนอก ให้กำหนดกับผูนี้นะผู้ที่ใจนี่นห่ะผู้ที่ใจเลย <c oughs> มันส่งในไม่ใช่ส่งนอกจร <c oughs> ิงนะกวงหมดทันออกไปจากใจถ น, นันจับตัวใจแล้ให้ได้จะไปส่งไปตามอาการที่ใจเห็น เมื่อจับใจได้แล้วนั่นอีกอย่างหนึง่งที่ใจไม่เห็นน่นจับใจได้แล้วน่ะไม่ต้องส่งไปภายนอกก็เห็นแต่ว่ามันไม่ได้ส่งไปอันนั้นอีกอย่างหนึง่งส่งแพื่อเห็นก็รู้จักว่าเห็นแต่ว่าไม่หลงไปไม่หลงไปตามจับพนนี้ได้ให้มั่นคงแน่ลาย แต่มันเห็นเน่ะสิ่งที่เห็นก็ต้องเห็นน่ยกระจายน่ยไปเห็นก็ดีแต่มไม่ส่งไปตามอันนั้นเรียกว่าคงที่อยู่เห็นก็ชัดแต่ว่าเห็นมันสามารถที่จะมันหลอกหลวงเอจาจิตของเราให้ลงไปได้ <c oughs> เมื่อเห็นใจอย่างนี้แลยอ่ะจรินงนะฟองมด ออกไปจากใจงนั้นรเราก็ได้เจ้าเทศนาตรงใจนี่แหละกิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากใจแล้วยิ่งเห็นรูปที่เห็นผ้าบาต่างๆที่ไปเพลินกนกันนะั่นแหละตัวกิเลสส่งภายในอะก็เรียกตัวกิเลสถ้าหาก็ยิ่งไม่สชื่อมอินทรียสุทั้งแล้วเห็นภายนอกอะยิ่งหลงใหญ่จะหลงไปยังไงเดออันนั้นเป็นของภายนอกหรอ ตัวใจเราไปเห็นทั้งที่ตัวรูใจนี่ให้อยู่คงที่ใจดังอธิมาอธิบายได้แล้วใจคือตัวกลางๆางไม่คิดหยาบละเอียดดีชั่วอะไรต่างไม่คิดหมดแต่ว่ารู้ตัวอยู่อันนั้นแะตัวใจตัวกลางๆ น, นั่นแหละจับตัวกลางกลดให้ได้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 ให้คิดถึงนึกน้อมเอาตัวใจนัน่นแหละตัวเป็นกลางกลานั่นแหละมันจะรวมเข้ามาอยู่ในที่เดียวในที่กลางๆนัน่นแหละทั้งของไม่มีอะไรนะแต่รู้ตัวอยู่นี่าการฝึกหัด ส, สมาธิภาวนาถ้าจับอย่างนี้ได้แล้วเอาเถิดมันจะเป็นยังไงก็เอาถิดไม่หนีจากหลักนี้แล้ว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 ผู้ได้ปฏิบัติมาฝึกฝนอบรมมาเข้าขั้นสมาธิภาวนายังไม่เห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นรู้เห็นหลายทั้งหลายแล้วห น, น้าเชื่อดายไปหลงตามสิ่งแลังสิ่งไหไปหลงตามกิเลสหลอกลวงแค่ถ้าหากจับจิตไม่ได้จับจิตได้แล้วไม่เป็นไรเชื่อมัน ในคุณธรรมขึ้นจิตของเราอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกที่จะเสื่อมสูญอั น, น, ออ น, น, อ น, นี้เรื่องหัดในเรื่องฮัตที่มันมีหลักจากนี้